เจริญพรท่านมีระพงท่านผู้บริหารคณะครูท่านไม่พอนั่งห้องนี้ท้เย็นตามาก็มีความยิน ด, ดีนะได้มาพบคณะครูงานเกษียณท่าตมารับราชการก็เกษียณเหมือนกันนะปีเก้าห้าเหมือนกันเรียกว่าคนร่วมสมัย ในวันนี้จะมาคุยกับพวกเราเรื่องทำยังไงเราจะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้ทำาไงชีวิตเราจะมีคุณค่าในตัวเองได้เต็มอิ่มในตัวเองสักทีลำพังกันอยู่ในโลกนะเราสแสวงหาความสุขสแสวงหาคุณค่าของชีวิตบางคนก็คิดว่าเรียนมากๆชีวิตจะดี หรือตำแหน่งหน้าที่การงานสูงๆมีชีวิตจะมีคุณค่าก็มีนักก็ได้ทมประโยชน์มากแต่พอถึงเวลากเกษียณผไปสิ่งที่เคยมีมันก็ไม่มีต่ใหญ่จะโตที่บางคนบางคนเหงามากเกษียณแล้วเหงามากเลยอยู่คนเดียวแต่เดิมเช้าขึ้นมาไปโรงเรียนเจอนักเรียนเจอเพื่อนครูเจออะไรต่ออะไร จะต้องมาใช้ชีวิตที่แปลกไปจากเดิมชีวิตที่เรายัางไม่คุ้นเคยความจริงถ้าหากเราเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ดีพอเนี่ยเราจะมีความเต็มอิ่มมีความสุขอยู่ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีขึ้นในชีวิตเราก็สามารถอยู่กับมันอย่างเข้าใจอยู่กับมันอย่างมีความสุขได้ นีธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของที่ฟังเล่นๆเนาะธรรมะจริงๆเนี่ยเป็นของที่เราฟังแล้วต้องลงมือประพฤติปฏิบัติจริงๆถ้าเราลงมือประพฤติปฏิบัติทำเต็มที่ไม่ต้องรอกเกษียณยิ่งปฏิบัติเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี เพราะมันคือการพัฒนาตัวเองยิ่งเราพัฒนามากเท่าไหร่มยิ่งดีเท่านั้นแหละนะเดี๋ยวหลวงพ่อลือบอกพวกเรานิดหนึ่งนะตอนเที่ยนี้ขออย่างหนึ่งนะ๋ยวาเพิ่งถ่ายรูปแลถ้า <c oughs> ถ่ายรูปแล้วธรรมะมันกระโดดลดเต้นนะถ <c oughs> ้าธรรมภาคปฏิบัติมันไม่มีสคริปต์หรอกนะคือถ้าใจพวกเราสงบนะใจเราตั้งมั่นสงบพอธรรมะมันจะประณีต แต่ถ้าใจเราวกแยกวกแยกนธรรมะไม่ไม่ปราณีตแล้วการฟังธรรมต้องฟังด้วยใจใจต้องมีสมาธิพอมันยิ่งกว่าการฟังของนักเรียนอีกนะะยังไม่เสร็จอนะตั้งออกตั้งใจฟังธรรมะนะถ้าเข้าใจสิ่งที่รอรตมะพูดนะชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาวะอย่างไรนะเราจะไม่ทุกข์หรอกหรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของสูงเป็นของประณีตเป็นของอัศจรรย์ที่สุดเลยธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะเราอย่าไป น, นึกว่าการที่เราทําบุญใส่บาตรฟังเทศนั่งสมาธิอะไรเนี้ยเราจะเข้าใจ เนื้อหาสาระที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาลึกซึ้งกว่านั้นมากพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสตร์ที่จะถอดถอนความทุกออกจากใจเราสดๆร้อนๆเลยทนะุกวันนี้ตมาเที่ยวประกาศธรรมมาไปเรื่อยๆนผู้คนปฏิบัติทำได้เนี่ยมากมายเหลือเกินนะถ่ายรูปพ อ, อยังนะแล้ว พออย่างพอนะพอละพอละ <c oughs> สังเกตไหมใจเราไปอยู่ที่อาจารย์ท่านนี้ใจเราหนีไปใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวนะเรียนธรรมะเพราะงั้นเวลาฟังธรรมเนี่ยต้องการความสงบนะเมื่อเราอยู่ในความสงบมันยิ่งกว่านักเรียนฟังครูอีกนะนักเรียนครูสอนอยู่นักเรียนแอบไปคุยได้ออย่างพอตามเรื่องทันแต่ธรรมะเนี่ย พลาดนิดเดียวนะเสียจังหวะเสียโอกาสธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องแค่การทำทานแค่เรื่องการรักษาศีลแค่เรื่องการนั่งสมาธิการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็ไม่ปฏิเสธก็รับเข้ามาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยที่เป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา ก็คือการเจริญปัญญาการช่พัฒนาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาถ้าใครเขาถามเรานะว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเราต้องตอบได้ว่าตัวสัมมาทิฏฐินี่นแหละคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกถ้าเรามีความรู้ถูกความเข้าใจถูกในชีวิตของเราเนี้ยความทุกข์ในชีวิตเนี้ยจะตกหายไปต่อหน้าต่อตาธรรมะไม่ใช่เรื่องยากนะแต่เป็นเรื่องประณีต ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่ลึกซึ้งอยู่ที่ว่าเราจะได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะในภาคปฏิบัติจริงๆหรือเปล่าถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติแล้วเราลงมือปฏิบัติทําให้สมควรแก่ทำเราจะพบว่าความทุกข์นั้นมันหายไปจากใจเราจริงๆวินิจอยชนรู้ด้วยตนเองจริงๆงั้นวันนี้ตมาคงไม่พูดเรื่องการทําทานการรักษาศีลแต่ขอมาพูดถึงเรื่องการทําสมาธิ กับการเจริญปัญญาเลยเพราะการทําสมาธินั้นพวกเราสายคนเข้าวัดในชอบไปนั่งสมาธิแต่สมาธินั้นมันมีสองชนิดสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนั้นเป็นสมาธิที่ใช้พักผ่อนสมาธิมีสองประเภทนะเนี่ยถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังนะเราก็ไม่เข้าใจเราคิดว่าไปวัดนัไปนั่งสมาธินั่งไปแล้วสงบเคลิ้มมีความสุขวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผล น, นิพพาน เราไม่มีทางมารลุมากผลนิพพานเลยถ้าเราไม่ได้เจริญปัญญาและการทําสมาธิให้จิตนิ่งนิ่งสงบไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนั้นไม่ได้ทําให้เกิดปัญญามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งที่พูดง่ายๆนั่นะเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าพูดภาษาวิชาการสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยมีชื่อเฉพาะเรียกว่าอารัมมานูปนิชานอารมามะก็คือตัวอารมณ์นั่นเองถ้าจิตเราสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวเราได้ความสุขความสงบ เช่จิตเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไม่หนีไปจากพุโทโธนะจิตเราได้ความสุขความสงบถ้าจิตเราไปอยู่กับลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าจิตอยู่ที่ลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นเราได้ความสุขได้ความสงบเราไปดูท้องพองยุบนะแล้วจิตเราสงบอยู่ที่ท้องไม่หนีไปที่อื่นเราได้ความสุขความสงบแต่ความ ส, าาสุขความสงบแบบนี้ยังไม่ถึงขั้นของการเจริญปัญญาสมาธิที่จะใช้เจริญปัญญานั้นภาษาวิชาการเรียกว่าลักขณูปนิชฌาน และขนมปังิชาเนี่จิตตั้งมั่นจิตรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พูดภาษาไทยง่ายๆนะก็คือเป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจของคนในโลกเนี่ยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจจะลอยออกไปตลอดเวลาเพลินออกไปทางตาเพลินออกไปทางหูเพลินไปทางความคิดนะทางใจก็ไปคิดเรื่องนอนเรื่องนี้ก็จะลืมกายลืมใจของตัวเองพวกเรานะอาภัพยอย่างหนึ่งพวกเรารักตัวเองที่สุดเลย ในสิ่งที่เรารักในโลกนี้นะเรารักตนเองมากที่สุดแต่เราลาเลยตัวเองมากที่สุดเราสนใจคนอื่นเราสนใจสิ่งอื่นมากกว่าตัวเราเองทั้งๆ ท, ที่เรารักตัวเราเองเราไม่ได้ดูแลตัวเองให้มากพอต่อไป น, นี้เราก ล, กลับมาอยู่กับตัวเองพยายามรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่เป็นบันไดขั้นแรกก่อนที่จะนาไปสู่การเจริญปัญญาคาว่าการเจริญปัญญานะก็คือการเห็นความเป็นจริงของกายของใจ ภาษ า, าวิชาการเราเห็นความจริงของรูปนามรูปธรรมนามธรรม ท, ที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเราจะเห็นได้เนี่ยใจเราต้องอยู่กับเนือ้อกับตัวก่อนเราจะเห็นความจริงของกายของใจได้ขั้นแรกเราต้องไม่ลืมตัวเองถ้าเราลืมมีกายเราลืมกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจของตัวเองไปแล้วเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่ได้เลยงั้นเราต้องไม่ลืมตัวเองนะพยายามจะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว นี่เป็นจุดตั้งต้นเลยว่าชาตินี้เราจะได้มรรคผลนิพพานหรือเปล่าแล้วอย่าไปคิดว่ามรรคผลนิพพานเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทําได้คนในสมัยพุทธกาลเขาก็คนธรรมดาอย่างเราไม่ได้พิเศษวิโสกว่าการหลอกอาจจะมีบุญบารมีมากได้ไปเจอพระพุทธเจ้าเจอพระอราหันต์สาวกที่เก่งๆพวกเราไม่มีโอกาสอย่างนั้นนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เจอพระพุทธเจ้าเขาจะบรรลุหมดพระเทวทานก็ตกนรก ทั้งที่อยู่กับพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่ใช่พวกเราจะด้อยพวกเราไม่ได้ด้อยกว่าคนสมัยพุท ธ, ธกาลหรอกเพียงแต่พวกเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆในภาคปฏิบัติเราคิดว่าธรรมะมีแต่เรื่องในตำราที่แห้งแล้งมากเลยหาครูสอนศีลธรรมหายากเลยไม่มีใครอยากจะสอนหรอกมันไม่โก้เนี่ยถ้าเราเรามาต้องมาเรียนธรรมะแท้ๆให้ได้นะ การจะเจริญปัญญานั่นคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจก่อนที่จะเจริญปัญญาต้องรู้สึกตัวให้เป็นถ้าเราใจล่องลอยลืมตัวเองทั้งวันเราจะมารู้กายรู้ใจจะมาเห็นความจริงของกายของใจนั้นไม่ได้เงั้นเราต้องมาฝึกนะวิธีฝึกนะจ ะ, กะเกษียณหรือจะไม่กเกษียณก็ตามนะาตา ม, มาอยากแนะนําว่าเราลองมาฝึกดูนะทุกวันแบ่งเวลาไว้หัดกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาจะพุโทโธก็ได้ท่องพุโทโธพุโทโธในใจนะ หรือจะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้ต้องทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งซะก่อนพอทำกรรมฐานแล้วเนี่ยไม่ได้ทำให้จิตสงบอย่าไปมุ่งไปที่ความสงบอย่างเดียวให้คอยรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดเช่นเวลาเราหัดพุดโทโธพุโทโธพุโทโธนะจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุโทโธให้เรารู้ทันว่าจิตลืมพุโทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดไปแล้ว นะหรือเรารู้ลมหายใจนะหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยรู้สึกตัว <_ an> เห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจเข้าไปเรื่อยหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมร่างกายที่หายใจอยู่แล้วให้เราคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปการที่เราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปลืมตัวเองไปเนี่ยเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นมันจะทำให้กลับมาสู่ความรู้สึกตัวได้เพราะงั้นงานแรกของนักปฏิบัตินะก็ต้องรู้สึกตัวให้เป็น ถ้าใจยังล่องรอยลืมกายลืมใจเรื่อยๆไปไม่มีทางมาเห็นความจริงของกายของใจได้ต้องรู้สึกกายต้องรู้สึกใจอย่าให้ใจล่องลอยหนีไปนะเพราะงั้นงานแรกที่พวกเราต้องฝึกนะก็คือรู้สึกตัวบ่อยๆใจลอยไปใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันใจหนีไปคิดแล้วรู้ทันตรงที่ใจมันหนีไปเนี่ยบางทีไม่ได้หนีไปคิดอย่างเดียวบางทีก็หนีไปดูหนีไปฟัง หนีไปดมกลิ่นนี้ไปรู้รสหนีไปรู้สัมผัสทางกายนะหนีไปได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่ที่หนีไปบ่อยที่สุดนะก็คือหนีไปคิดให้เราคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆถ้าเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดไดนะ้จิตจะตื่นขึ้นมาเราเคยได้ยินไหมคําว่าพุทธโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยเราได้ยินแต่ว่าเราเป็นาศาสนาพุทธาศาสนาพุทธนะเราไม่รู้พุทธคืออะไรพุทธโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เรามาฝึกจิตของเราให้มันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงเราพยายามรู้สึกตัวให้ได้พอเรารู้สึกตัวได้แล้วนะเราต่อไปนี้ร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวเราคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวเช่นนั่งอยู่เนี่ยร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวคอยรู้สึกเรื่อยเรเราก็จะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนะเป็นคนละอันกันร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายจิตใจก็อยู่ส่วนจิตใจนะ ร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆถ้าฝึกได้แค่นี้นะถึงจะไม่ได้มากผลนะถ้าบารมีพอก็ได้มากผลไปถ้ายังไม่พอนะมันจะได้เอาไว้ใช้อย่างเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยป่วยหนักขึ้นมาเนี่ยเราจะฝึกมากๆมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยร่างกายมันป่วยใจไม่ป่วยใจจะเป็นแค่คนดูเราเหมือนเราไปไปเยี่ยมคนอื่นป่วยงั้นเราไปโรงพยาบาลเราไปเห็นคนอื่นป่วยนอนอยู่เราไม่ได้ป่วย จิตใจก็เปลี่ยนกันถ้าเราฝึกตัวเองให้ดีแล้วนะ <_ d ue> เราจะเห็นว่าร่างกายมันป่วยแต่เราไม่ป่วยร่างกายมันแก่เราไม่แก่นะใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูต้องมาฝึกมากๆนะฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็รู้สึกเราในร่างกายเราจะเห็นร่างกายเป็นส่วนหนึง่งจิตใจเป็นส่วนหนึง่งร่างกายกับใจมันแยกออกจากกันได้แล้วกายจะแก่กายจะเจ็บกายจะตายเป็นเรื่องของกายแล้วจิตใจจะไม่กระสับกระส่าย แล้วเรามาหัดแยกในจิตใจด้วยความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจเราคอยรู้บ่อยๆ <S <S พวกเรารู้จักใช่ั้มความสุขเป็นไงทุกคนรู้ความทุกข์เป็นยังไงทุกคนรู้จักอยู่แล้วความดีเป็นยังไงทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโรบความโกรธความหลงเป็นยังไงทุกคนรู้จักอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เราจะคอยรู้เท่าทันเวลามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในใจเราแต่เป็นนี้นะถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึก ถ้าจิตใจเคลื่อนไหวเช่นจิตใจมีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่าจิตใจมีความสุขเราก็จะเห็นว่าความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปถ้าจิตใจมีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ต้องไปไล่มันแค่รู้ทันว่าตอนนี้ใจมันทุกข์ตอนนี้ใจมันโกรธใจมันโลบใจมันหลงใจมันกลัวใจมันกังวลนะใจมันเป็นห่วงลูกห่วงหลานนะใจมันน้อยอกน้อยใจว่าไม่มีคนมาเยี่ยมเนี่ยนี่คอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราบ่อย ต่อไปเราจะเห็นว่าความรู้สึกกับจิตใจนั้นเป็นโคนละอันกันความรู้สึกเป็นสิ่งที่แปลปลอมขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยตรงที่เรามาฝึกจิตให้เป็นพู้โธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันมีความสําคัญอย่างนี้แหละมันจะทําให้เราเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเป็นโคนละอันกันนะเราจะเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายกับจิตใจเป็นโคนละอันกันถ้าทําได้นะต่อไปนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่สะทกสะทานหวั่นไหว ร่างกายแก่เป็นเรื่องของร่างกายร่างกายยังไงก็ต้องแก่ร่างกายเจ็บยังไงก็เจ็บนะแต่ใจของเราอยู่ต่างหากใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเราไม่ได้เจ็บไปด้วยนะร่างกายจะตายก็เป็นเรื่องของร่างกายอย่างเราต้องซ้อมตายนะเวลาที่เราจะตายมันมีอยู่ทุกคนแล้วทุกคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถูกพิพากษาประหารชีวิตเพียงแต่ว่าเมื่อไรเท่านั้นเองงั้นเราต้องตายให้เป็น ต้องตายให้เป็นนะตายไม่เป็นนะทุรนทุรายตายไปด้วยความทุกข์ทรมานไม่ดีเลยนะวิธีก็คือได้หละหัดรู้สึกตัวขึ้นมาดูกายดูใจมันทํางานเรื่อยไปจนเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราถ้าร่างกายมันไม่ใช่เรามันจะตายมันไม่ใช่เราตายนะเราเป็นแค่คนดูเท่านั้นเองเลยไม่เดือดร้อนไปด้วยแล้วจิตใจก็เหมือนกันเวลาจิตใจเราเจอกับสิ่งที่รักนะเราก็พอใจเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเราก็ทุกข์ พวกเรายังไรก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักอย่างมีสามีมีพรนยามรักกันมากนะวันหนึ่งก็ต้องจากกันมีลูกนะลูกก็โตขึ้นลูกไปอยู่ที่อื่นไปไปเรียนหรือไปทำมาหากินที่อื่นเราก็ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักเนี่ยถ้าใจเราไม่เคยยอมรับความจริงไม่เคยเห็นความจริงว่าทุกอย่างในใจเราเป็นของชั่วคราวเวลาเราพลัดพรากจากสิ่งที่รักนะเราก็จะทุกข์ทรมานมากหรเวลาที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะเราก็จะทุกข์ทรมานมาก แต่ถ้าเราเคยเห็นในใจของเราเนืองเนืองว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความดีความชั่วเป็นของชั่วคราวที่เกิดขึ้นในใจเราทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิน้นถ้าใจเรายอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเราจะไม่ทุกข์มากหรอกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราจะพลัดพรากจากคนที่เรารักนะพรากเป็นพรากตายก็ตามเถอะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจนะ เราก็จะเห็นว่ามันก็เรื่องธรรมดาเนี่ยหัดภาวนานะหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นความจริงของกายนะเห็นความจริงของจิตใจมีแต่ของแปรปรวนมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่ทนอยู่ไม่ได้นานมีแต่ของเป็นทุกข์พระอราหันต์ท่านก็ตายนะแต่ว่าเวลาท่านตายเนี่ยท่านจะร่าเริงในพุทธประวัติหรือไปศึกษาประวัติครูบาอาจารย์ วันที่ท่านจะตายเนี่ยท่านจะผ่องใสผ่องใสเป็นพิเศษเลยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระนอนออกปากเลยว่าวันนี้พระองค์งผ่องใสมากเลยไม่ใช่สุขภาพดีใกล้จะตายแล้วใกล้จะนิพพานแล้วทำไมท่านผ่องใสเพราะาปัญญาท่านแก่รอบแนละ้วท่านเห็นว่าตัวทุกข์กำลังจะแตกตัวทุกข์กำลังจะดับท่านจะเศร้าหมองทําไมอย่างของเราถ้าเราจะตายเราจะแก่นะเราเห็นว่าตัวดีของเราเนี่ยจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็เศร้าหมอง แต่ถ้าเราเห็นความจริงนะร่างกายนี้มันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆตัวทุกจะตายไม่เศร้าหมองหรอกนะงั้นเรามาหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากนะท่านใดกเกษียณนะมีเวลาละนะถ้าไม่ต้องไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากนะก็มีเวลาภาวนาถ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ภาวนาได้นะเช่นหลานมันดือ้อเรียกให้กินข้าวมันไม่ยอมกินโมโหโมโหทําไงโมโหตีหลานอย่างนี้ไม่เลือกธรรมดานะถ้าโมโหให้รู้ทันว่าใจมันโกรธ จะดูไปที่ความรู้สึกโกรธของเรานะจะเห็นว่าความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วความโกรธก็าหายไปหรือบางทีก็น้อยใจลูกหลานไม่มาเยี่ยมน้อยใจใครเคยเป็นไหมหลวงพ่อนะปเทศที่โน่นที่นี่นะบางทีประเทศชมรมผู้สูงอายุอะไรเนี่ยคนแก่เนี่ยเหงามากนะคนแก่เนี่ยแล้วก็น้อยอกน้อยใจเยอะมากเลยพวกเราเองวันหนึ่งถึงจะยังไม่แก่ขนาดนั้นนะถึงวันหนึ่งพวกเราก็จะไปสู่จุดนั้นเหมือนกัน สังคมทุกวันนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วไอ้ที่หวังว่าจะมีลูกหลานแวดล้อมมีความสุขเหมือนครอบครัวสมัยโบราณนะัมันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วทุกวันนี้เราต้องเตรียมตัวที่จะอยู่คนเดียวให้ได้จะต้องว้าเหวต้องเงียบเหงาแล้วห น, น, นีไม่พ้นหรอกเพราะความจริงของสังคมเป็นอย่างนั้นไปแล้วเตรียมตัวบางคนก็ใช้ว่ารับราชการใช่ไหมมีบำนาญกินมีอะไรมีค่ารักษาพยาบาลมีหลักประกันในชีวิตไอ้นั่นเหมือนประกันได้แต่ร่างกายนะ ประกันได้ความเป็นอยู่ทางร่างกายแต่จิตใจของเราใครจะรับประกันว่าจะมีความสุขได้ธรรมะนี่แหละจะรับประกันใจของเราไดนะ้งั้นเราต้องมาฝึกใจของเรานะให้จิตใจอยู่กับตัวเองอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดคิดน้นคิดนี่ไปคิดแล้วก็น้อยอกน้อยใจเสียอกเสียใจพยายามรู้สึกตั ว, ร, ตวรู้สึกตัวเรื่อยๆนะพอรู้สึกตัวมากๆแล้วก็คอยดูกายเป็นทํางานดูใจเป็นทํางานหลวงพ่อรู้จักคนหนึ่งนะผู้หญิงอายุมากแล้ว เขาทำงานบ้านไวเกษียณแล้วละ่ะทำงานบ้านไปเรื่อยนะกวาดบ้านไปเขาเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูนะภาวนาไปเรื่อยแล้วรู้สึกตัวไปเห็นกายมันทำงานใจเป็นคนดูไปเรื่อยปฏิบัติไปถึงช่วงหนึ่งนะจิตมันรวมปุ๊บลงไปนะมันเห็นความจริงของชีวิตว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่เรามาอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเอง เนี่ยพ อ, อยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวอะไรละความสุขจะหายไปก็ hiện, ไม่เห็นต้องกลัวเลย <thieves. S 1> เพราะว่ารู้ความจริงแล้วว่าความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์จะมาก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยก็รู้ความจริงแล้วว่าความทุกข์ <Finish. S 1> ก, ก็เป็นของชั่วคราวการที่เราเห็นทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนี่เป็นปัญญาตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่คนอื่นนึกไม่ถึง ใครๆก็อยากมีความสุขใครๆก็อยากหนีความทุกข์พระพุทธเจ้ากลับสอนให้เราคอยรู้สิ่งที่เรียกว่าตรวจทุกข์ความทุกข์อยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจรู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกบ่อยๆนะยิ่งเรารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะต่อไปจิตมันยอมรับความจริงแล้วร่างกายมันไม่เที่ยงร่างกายมันเป็นทุกข์ร่างกายมันเป็นแค่วัตถุถึงวันหนึ่งมันก็แตกสลายไปเรายืมโลกมาใช้วัตถุพวกนี้ จิตใจนี้ก็ไม่เที่ยงจิตใจนี้ก็ทนอยู่ในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นานจิตใจนี้ก็บังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่เชื่อห้ามทุกข์มันก็ไม่ฟังนะเนี่ยสั่งให้ดีมันก็ไม่ฟังนะห้ามชั่วมันก็จะชั่วอะไรเนี้ยจะเห็นว่ามันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้คือคําว่านัตตาเนี่ยมามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจให้มากแล้วเราจะไม่เหงานะถึงเกษียณไปแล้วเนี่ยไม่มีงานสอนนักเรียนไม่มีงานบริหารโรงเรียนนะ ไม่มีงานอย่างอื่นทําเรามีงานทางใจของเราเราไม่เหงาหรอกทุกวันเราคอยรู้สึกกายทุกวันเราคอยรู้สึกใจดูไปเรื่อยๆนะดีไม่ดีแล้ววันหนึ่งเราอาจจะพบว่าโถความสุขหรือคุณค่าของชีวิตที่เที่ยวแสวงหามาตั้งนานนะที่แท้ง่ายนิดเดียวแค่นี้รู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมาเห็นความจริงของกายของใจนั่นแหละความทุกข์นี่มันจะตกหายต่อหน้าต่อตาเลยทุกวันนี้หลวงพ่อไปเทศที่โน่นที่นี่นะ คนส่วนมากเลยเขาฟัง CD ได้ฟัง CD ดีหลวงพ่อก่อนเนี่ยแล้วหัดปฏิบัติถึงยังไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยนะแต่เขาหัดปฏิบัติจาก CD นั่นแหละปรากฏว่าเวลามารายงานการปฏิบัตินี่ยับมารายงานว่าไม่สงสัยอะไรหรอกว่าเขาเจอเจ้าสอนอะไรรู้เลยชีวิตของเขาเปลี่ยนเขาเคยทุกข์มากเขาก็ทุกข์น้อยลงเขาเคยทุกข์นานเขาก็ทุกข์สั้นลง ศา ส, สนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่มุ่งเข้ามาจัดการกับความทุกข์ในใจเราได้เฉียบขาดที่สุดเลยนะงั้นเราอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆนะยังไม่กเกษียณก็หัดทําได้ไม่ใช่รอกรเกษียณแล้วมาหัดทำแต่กเกษียณแล้วก็ยังไม่สายเกินไปครูบาอาจารย์บางองค์กว่าจะออกบวชอายุทั้งหกก็มีนะในหลวงพ่อรู้จักมีองค์หนึ่งอย่ที่สุรินทร์ออกบวชเมื่ออายุ60สเพราะว่าน่าเก่งมากเลยนะ ภาวนานแล้วไม่ทุกหรอกชีวิตมีแต่ความโปร่งชีวิตมีแต่ความเบานะไม่เหมือนคนทั่วๆไปนะแก่ไปแล้วก็สูญเสียรู้สึกสูญเสียนะเสียตําแหน่งเสียอํานาจเสียชื่อเสียงนะทรัพย์สินเงินทองร่อยหลอลงไปนะลูกหลานหายไปนะเต็มไปด้วยคําว่าสูญเสียแต่ถ้าเราหัดปฏิบัติทำไปเรืยเราไม่สูญเสียเราจะพบว่าแต่ละวันแต่ละวันเราได้มากขึ้นมากขึ้นได้สติได้ปัญญานะ ได้ชีวิตที่มีคุณค่าที่แท้จริงมากขึ้นมากขึ้นวันนี้มีเวลาเทศนิดเดียวนะเทศได้ไม่มากหรอกแต่ว่ามีซีดีมาแจกนะมีซีดีมาแจกแจกให้ฟรีนะไม่ได้เอามาขายนะขอร้องอย่างเดียวเป็นลองฟังดูนะลองฟังขอรองแค่นี้แหละนะการท่องการเทศไม่ต้องติดหรอกนะขออย่างเดียวว่าเอาไปลองปฏิบัติ ด, ดูแล้วจะเห็นความจริงว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร เราจะรักพระพุทธเจ้าที่สุดเลยเราจะไม่ได้วาดภาพพระพุทธเจ้าเป็นแค่พระพุทธรูปองค์หนึ่งเท่านั้นแหละเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตัวจริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้านั้นท่านมีคุณกับเราขนาดไหนจะซาบซึ้งถึงอกถึงใจเลยเราจะรู้ว่าธรรมะนั้นดีวิเศษขนาดไหนศาสตร์ทั้งหลายในโลกนะมันอย่างมากมือแก้ทุกข์แก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไปแต่ศาสตร์ที่แก้ทุกข์ถาวรเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยนะมีแต่คําสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นเอง เราจะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายซึ่งหนีไม่พ้นแต่ความทุกข์ทางใจจะไม่มีคิดดูสิความทุกข์ทางใจไม่มีจะมีความสุขขนาดไหนนะอยู่ที่พวกเรานะให้โอกาสกับตัวเองถ้ากเกษียณแล้วว่างงานน ะ, จะเจริญสติรู้สึกตัวไปนะรู้สึกตัวอย่าคิดถึงอดีตอย่าคิดถึงอนาคตรู้สึกตัวดูกายดูใจทํางานไปเรื่อยส่วนคนที่ยังไม่กเกษียณก็เตรียมกเกษียณได้วันนึงก็ต้องกเกษียณเหมือนกัน ขาหัดรู้สึกตัวไปตั้งแต่วันนี้เลยนะหัดดูกายดูใจทำงานตั้งแต่วันนี้เลยเอาซีดีไปฟังนะบอกซะหน่อยหนึ่งก็ได้ว่าฟังแรกๆยากที่ยากเพราะไม่เคยฟังมันก็คือศาสตร์อันหนึ่งเท่านั้นเองศาสตร์เพื่อความพ้นทุกข์นะถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังฟังทีแรกก็ยากหน่อยเหมือนอย่างวิชาทางโลกอะยังไม่เคยเรียนก็ยากหน่อยเรียนไปเรื่อยๆก็แจ่มแจ้งก็ไม่ยาก ธรรมะก็เหมือนกันนะอยู่ที่เราฟังฟังให้มากๆแล้วก็ดูของจริงในกายในใจให้บ่อยๆคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะเราก็ขยันดูนะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนเนี่ยเขาจะบอกแล้วว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนอยู่มาหลาย1ิปีชีวิตไม่เปลี่ยนชีวิตเคยยังไงก็อยู่อย่างั้นแหละเคยโมโหก็โมโหอยู่งั้นนะเคยเศร้าหมองก็เศร้าหมองอยู่งั้นนะ หัดฟังซีดีหัดปฏิบัติเดือน2เดือน3เดือนบอกชีวิตเปลี่ยนหน้าตาผ่องใสชีวิตเปลี่ยนไปดูได้ที่วัดของพ่อเนีนะเวลาคนมาส่งกันบ้านมารายงานการปฏิบัติเขาเปลี่ยนเขาไม่ได้เก่งกว่าเรานะแต่ว่าเขาตั้งอกตั้งใจศึกษาปฏิบัติเอาวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะเทศยาวนะก็เสียเวลา <c oughs> พวกเราเดี๋ยวจะมีกิจกรรมรถน้ํา มีใครจะคุยอะไรไหมปกติประเทศบางที่จะมีคนคุยคนถามไม่มีก็ดีได้ครับสังเกตใจเราสิเห็นไหมสังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บใจเราวกแวกวกแวกเลยดูออกไหมเนี่ยหัดดูของจริงอย่างนี้นะอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติธรรมมีแต่ไปนั่งสมาธิให้จิตสงบนะอย่างนั้นมันก็ดีแต่มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีก นะถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วก็พลุกไปนะพระพุทธเจ้าไปเรียนจากอรระดาบทุตระดาบทท่านคงไม่เลิกหรอกนะท่านคงรู้สึกว่าเป็นทางเดีนี้ท่านพบว่าไม่ใช่ทางนะสมาธิที่เราต้องใช้จริงๆคือสมาธิที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่มีอะไรทำหายใจไปหายใจไปเห็นร่างกายหายใจนะนะรับพรเส้นหน่อยก็แล้วกันนะ ยะถาวาริวหฮาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวามวายิโตทินังเปตาณังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาฉันโทปันนรสอยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัติฉันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังวทาปัจจายโนจัตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง